ผานามสยามยุบภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระหนผนลนิกายเป็นมหายุติโยธาทัพใหญ่ไปกระทำศึกสงครามกับนักตรงจันทร์พระเจ้ากรุงกรัรมพูชาทิบดีเมรไม่ต่อสู้ไทยนักตรงจังนทร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านาประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความพิสดารวิตรสารในการศึกไท ย, ยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่1ทําำให้การพวกจีนอบพยศ ดำเนินความตามเหตุที่ไทยจะได้ก่อการศึกกับยวนนั้นในปีมะเส็งเบญจะศกจุดรัศกราตร 1,195 ครั้งนั้นกรมการเมืองพระตะบองเมืองนครเสียมราฐเมืองจันทบุรีเมืองตราดต่างกันแต่งขุนหมื่นกับไพร่ไปสื่อราชการที่เมืองขเมรและเมืองยวนต่างๆนั้น เสิได้ข้อราชการบ้านเมืองยวนมาทั้งสี่เมืองจึงมีใบบอกกิจการบ้านเมืองยวนเข้ามายังกรุงเทพข้อความในใบบอกทั้งสี่หัวเมืองนั้นต้องกันครั้งนั้นมีพวกจีนลูกค้าที่อยู่ณเมืองไส่งนอนและเมืองล่องหูซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นฝ่ายยวนพวกจีนในเมืองทั้งสองตำบลหนีค่าศึกที่เกิดการจลาจลขึ้น ในเมืองใส้งอนนั้นหนีเข้ามาอาศัยอยู่ที่เมืองตราดบ้างเมืองจันทบุรีบ้างกรมการทั้งสองเมืองบอกทรงพวกจีนที่หนีมาแต่เมืองยวนนั้นเข้ามาในกรุงเทพเจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีให้ล่ามพนักงานไต่ถามพวกจีนเหล่านั้นจีนเหล่านั้นให้การต้องคำกันทุกคนและคำให้การพวกจีนและหนังสือบอกเมืองเสียมราฐเมืองพัตบอง เมืองปราดเมืองจันทบุรีทั้งสี่เมืองต้องกันกับคำให้การมีเนื้อความว่าดังนี้บัดนี้ที่เมืองไส่งอ่อนนั้นเกิดการจราจนรกพุ่งฆ่าฟันกันขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองและตามแฝงจังหวัดหัวเมืองเล็กน้อยฝ่ายยวนนั้นก็กําเริบเกิดเป็นขบถรบกันเองบ้างยกไปรบกับเมืองต่างๆบ้าง บ้านเมืองปราศจากความสุขหาที่พึ่งไม่ได้จึงได้หนีความเดือดร้อนมาพึ่งบ้านเมืองที่มีความร่มเย็นเดิมทีจะเกิดการรบพุ่งกันนั้นด้วยเหตุเดิมดังนี้พระเจ้ายาหลวงเจ้าแผ่นดินยวนองค์ต้นวงโปรดให้องสากุลขุนนางฝ่ายทหารซึ่งเป็นข้าหลวงเดิมนั้นมาเป็นจงตตคือเจ้าพระยา ผู้สำเร็จราชการบ้านเมืองไส่นอนครันเมื่อพระเจ้ายาหลวงคือองค์เชียงสือเจ้าแผ่นดินกรุงเวสวรรคตแล้วเสนาบนดีเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้ามินมางพระบรมาราชโอรสขึ้นครองราชสมบัติสืบวงศษัตย์ในกรุงเวต่อไปครั้งนั้นขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายหัวเมืองจับ ด, ดอกไม้ทองและทูบเทียนเข้าไปเป้า กราบถวายบังคมกระทำการคารบคำนับต่อพระเจ้าเวียดนามมินมางพระเจ้าแผ่นดินใหม่แต่องศากุลจงต๊เจ้าเมืองไส้งน้อนนั้นถือตัวว่าเป็นเชื้อพระญตาพระวงศ์และเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยจึงมีเกิริยากระด้างกระเดืองไม่สู้ราบคาบเมื่อกลับไปอยู่บ้านเมืองไส้งน้อนนั้นถ้ามีราชการอันใด ที่มีข้าหลวงเชิญท้องตราลงไปบังคับบัญชาสั่งราชการอันใดแก่องสาคุณองสาคุณก็พอใจพูดกับพวกข้าหลวงว่าเจ้าแผ่นดินใหม่นี้ขี่เมาสั่งการเลอะเทอะนักเพราะเหตุยนณีพระเจ้าเวียดนามมินมังพระองค์ใหม่จึงได้ขัดเคืององสาคุณเจ้าเมืองไส่นอนมาช้านานแล้วไม่รู้ที่จะกระทาประการใดได้ได ด้วยเป็นขุนนางผู้ใหญ่เชื้อพระวงค์และเป็นข้าหลวงเดิมของสมเด็จพระราชบธิยด้วยและองค์สากลผู้นี้มีฝีมือทับศึกกล้าหาญแข็งแกร่งทั้งสติปัญญาคิดอ่านในการศึกก็ว่องไวหาผู้ใดจะเสมอไม่ได้และเป็นผู้มีความชอบต่อแผ่นดินยวนมากที่สุดในการกู้บ้านเมืองตั้งวงตระกูลของพระเจ้าแผ่นดินยวนใหม่นี้ด้วย เพราะฉะนั้นพระเจ้าเวียดนามมินมางองค์ใหม่นี้คิดจะจับองสาคุลฆ่าเสียหลายครั้งแล้วแต่เกรงว่าจะเกิดขบฏขึ้นเพราะองสาคุลนี้มีผู้คนผลรเมืองนับถือรักใคร่มากจึงมีกำลังกล้าหาญสามารถนักเหตุดังนี้พระเจ้ามินมางจึงได้อดทนมาจนองสาคุลป่วยหนักตายลงในเมืองใส่นอน อายุองสาคุณได้หกสิบเจ็ดปีบุร ท, ทั้งหลายทำการฝังศพองสาคุณแล้วจึงมีใบบอกข่าวตายไปยังกรุงเวพระเจ้าเวียดนามมินมางรู้ว่าองสาคุณตายแล้วก็ดีพระไทยนักจึงโปรดให้องค์เอลลงนุลขุนนางนายทหารรักษาพระองค์ซึ่งเป็นข้าหลวงเดิมในพระเจ้าแผ่นดินใหม่เป็นข้าหลวงถือรับสั่งลงมา เป็นเจ้าเมืองไส่นอนใหม่และมีรับสั่งให้เจ้าเมืองใหม่ขุดศกองสาคุลเจ้าเมืองเก่าขึ้นทําโทษประจานต่างๆเหมือนกับทําโทษคนเป็นๆฝ่ายขุนนางเก่าขององสาคุลที่เป็นคนศิริขุนเคยรักใคร่องสาคุลและมีกตัญญูรู้จักบุญคุณองสาคุลนั้นมีหัวหน้าสามคนชื่อองค์พอเบคยลันเบียนหนึ่งองพอไนายหนึ่ง องบงบางหนึ่งรวมสามคนเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ในเมืองไส่ง่อนเห็นข้าหลวงที่มาเป็นเจ้าเมืองใหม่ทำแกศพองสาคุลดังคนโทษเป็นเป็นดังนั้นแล้วก็มีความสังเวชและบังเกิดความกตัญญูต่อองสาคุลโดยมากจึงองค์ทั้งสามได้ชักชวนพลเมืองและสมัครพรรคพวกร่วมคิดกันได้คนหลายพัน แล้วจึงจับองค์เผอหลันกุลเจ้าเมืองใหม่และองค์พอโดยปรลัดเมืองเก่ากับพวกข้าหลวงที่มาใหม่นั้นข้าเสียสิ้นรวมเป็นคนร้อยเศษตัดเอาศรีรษะคนร้อยเศษเสียบตามถนนแล้วจึงนำศพองคสาคุลเจ้าเมืองเก่าไปฝังเสียตามที่ดังเก่าจึงทำการเส้นศพตามธรรมเนียมศพเจ้าเมืองผู้ใหญ่เสร็จแล้วองทั้งสามเข้านั่งเมืองไส่งอน จัดการป้องกัน ร, รักษาเมืองไส้ง้่อนแข็งแรงและรเตรียมกองทัพเป็นขบถต่อแผ่นดินยวนพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อณนะเดือนแปดแรมสามค่ำปีมะเส็งเบนจะศกนั้นองค์พ่อเบคอยหัวหน้าที่หนึ่งเข้านั่งเมืองไส้งน่อนถจึงตั้งตัวขึ้นเป็นงุยโชยคล้ายเจ้าแผ่นดินครั้งนั้นองค์พ่อเบคอย จึงตั้งองค์บงบางให้เป็นที่เชียนโฮงที่สองรักษาแผ่นดินตั้งองค์โกบาให้เป็นที่ลันบินที่สามรักษาแผ่นดินตั้งองค์พองายให้เป็นที่องค์ทงเจอัครมหาเสนาบดีผู้ใหญ่แล้วตั้งขุนนางเก่าในเมืองไส่ง่อนที่เข้าร่วมคิดด้วยอีกหกคนให้เป็นองค์ตรงกุลหนึ่งเป็นองค์ตากุลหนึ่งเป็นองค์ง เ, งเตียนกุลหนึ่ง เป็นองค์โฮกุลหนึ่งเป็นองค์เฮากุลหนึ่งเป็นองค์สาคุลหนึ่งเป็นเสนาบดีทั้งหกคนเหมือนอย่างธรรมเนียมกรุงเวที่เมืองหลวงของยวนดังนี้แล้วตั้งบุตรชายผู้ใหญ่ให้เป็นองค์จันเบียที่แม่ทัพเรือและตั้งขุนนางผู้น้อยเต็มตามตําแหน่งอย่างในกรุงเวแล้วฝ่ายองค์พอเบคอยลันเบียซึ่งตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินยวนนั้น มีคำบังคับใช้ให้องคบวงบางที่ตั้งเป็นที่สองหนึ่งองโกบาที่ตั้งเป็นที่สามหนึ่งองพองายที่ตั้งเป็นองค์ทงเจหนึ่งองตรงกุลหนึ่งองตากุลหนึ่งองเตียนกุลหนึ่งองโฮกุลหนึ่งองเฮากุลหนึ่งองสากุลหนึ่งซึ่งตั้งแต่งกันขึ้นเป็นเสนาบดีทั้งหกคนนั้นให้เป็นแม่ทัพ ผุมกองทัพแยกย้ายกันไปตีบ้านเมืองยวนที่เป็นหัวเมืองขึ้นแกกองเวแต่องค์พ่อเบย์คอยลันเบียซึ่งยกตัวขึ้นเป็นงุยโชยเจ้าแผ่นดินนั้นอยู่รักษาเมืองไส่ง่อนจัดการบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงแต่แม่ทัพนายกองทั้งหลายเหล่านั้นก็ยกกองทัพไปตีเมืองสมิทอถหนึ่งเมืองล่องโ HO หนึ่งเมืองสเสดกหนึ่งเมืองโจดกหนึ่งเมืองบันทายมากหนึ่ง แม่ทัพตีเมืองทางห้าได้แล้วจึงจับเจ้าเมืองบันทายมากกับเจ้าเมืองล่องโฮและเจ้าเมืองสมิถอทั้งสามคนนั้นส่งขึ้นไปเมืองใส่นอนองพอเบคอยลังเบียตั้งให้ฆ่าเจ้าเมืองทั้งสามนั้นเสียสิ้นแต่เจ้าเมืองแสเดกนั้นหนีไปได้และเจ้าเมืองโจดกนั้นหนีไปอยู่แดนเมืองขมินรอดชีวิตได้แต่ที่เมืองบันทายมากนั้น มีพวกจีนอยู่มากพวกจีนเห็นว่าบ้านเมืองเกิดการจราจนวุ่นวายรบราฆ่าฟันกันขึ้นดังนั้นแล้วพวกจีนก็คุมกันขึ้นเป็นตัวเหียขึ้นมากแล้วจึงเข้าส้ำเติมเอาทรัพพ์พวกราษฎร์ดวนในบรรทายมากขณะนั้นกองทัพองตงกุลองตากุล อ, องเตียนกุลต่อรบจีนตัวเหียไม่ไหวก็ล่าทัพกลับขึ้นไปพักอยู่ณนเะมืองโจดก ขณะนั้นองค์โกบาองค์โหกุลและองคเฮากุลที่ยกไปตีเมืองเหล่านั้นได้แล้วก็ยกมาพร้อมกันอยู่ที่เมืองโจดกองค์โกบาเป็นต้นคิดกับใจปรึกษากันกับแม่ทัพผู้ใหญ่ทั้งหลายว่าองค์พอเบเคยลังเบียซึ่งได้ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินยวนนั้นเป็นชาติต่ำตระกูลต่ำหาควรจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินยวนใหม่ไหมซึ่งพวกเรา พากันเป็นพวกกบฏด้วยองค์พเบคยลันเบียนั้นหาชอบด้วยความยุติธรรมไม่ควรเราทั้งหลายจะกลับใจช่วยกันคิดตีเอาเมืองไส้งอนคืนได้แล้วจับองค์พเบคยลันเบียและองค์บงบางที่อยู่รักษาเมืองนั้นไปถวายพระเจ้าเวียดนามใหม่นี้จึงจะได้เป็นความชอบและความดีของพวกเราอยู่ชั่วฟ้าและบินจึงจะสมควร ที่พวกเราเป็นตระกูลขุนนางตรงฉินสัตซ์ซื่อต่อราชการแผ่นดินยวนตามความกตัญญูกะตะเวทีของเราเราจะได้มีชื่อเสียงและยี่ห้อปรากฏไปในตระกูลบุตรหลานพวกเราพวกเราคิดดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเห็นเป็นประการใดบ้างเมื่อองค์โกบาและองตรงกุลองตากุลองคเตียนกุลองโฮกุลปรึกษาเห็นพร้อมกันแล้ว จึงสั่งให้องคเทียนบินหลานเจ้าเมืองโจโดกยกคนไปติดตามเจ้าเมืองโจโดกเก่าที่หนีไปนั้นให้กลับมาคิดราชการกลับใจใหม่ด้วยกันเมื่อเจ้าเมืองโจโดกเก่ากลับมาถึงในเมืองโจโดกแล้วเจ้าเมืองโจโดกกับองค์โกบาและองค์ตงกุลองค์ตากุลองค์เตียนกุลองค์โหกุลพร้อมกันเที่ยวเกลี้ยกล่อมพลเมืองยวนตามเมืองบันไทยมาก และเมืองโจโดกได้คนจัดการ 7,000 เสดีย์เตรียมการจัดเป็นกองทัพจะยกไปตีเมืองไส่นอนจากองค์พอเบคยลันเบียฝ่ายองค์พอเบคยลันเบียพอได้ทราบความว่าขุนนางของตนที่ใช้ไปตีบ้านเมืองนั้นกลับเป็นข่าศึกจะยกเข้ามาตีเมืองไส่นอนเพราะฉะนั้นองค์พอเบคยลันเบียและองค์บงบางที่ร่วมใจรักษาเมืองนั้นสั่งให้นายทหาร กว่าต้อนครอบครัวพลเมืองเข้ามาไว้ในเมืองใส่นอนทั้งสิ้นและกว่าสเสบียงอาหารและเครื่องสัพพวุธปืนใหญ่น้อยกระสุนดินดําเข้าไว้ในเมืองสิ้นแล้วสั่งให้ชําระพวกญากองคโกบาองค์ตงกุลองค์ตากุลองค์เตียนกุลองค์โหกุลซึ่งยังตกคางอยู่ที่ในเมืองใส่นอนนั้นได้มาทั้งหมดเป็นหกร้อยเจ็ดสิบหกคนให้ฆ่าเสียทั้งสิ้น แล้วให้ข้ามานดาองคตรงกุลผ่ศาศีรษะศพนั้นออกเป็นสี่ซี่แล้วเอาขี้พึ่งมาปั้นหุ้มหอ่อศีรษะศพมานดาองคตรงกุลเข้าไว้ให้ดีแล้วจึงเขียนหนังสือเป็นฉลากปิดไว้ที่ศีรษะศพนั้นเป็นใจความว่าเมื่ององตรงกุลยังเป็นทารกเล็กๆอยู่นั้นองคตรงกุลต้องกินน้ำนมแม่จนโตมีอายุมาถึงบัดนี้บัดนี้ องค์ตรงกุลใหญ่ขึ้นแล้วจะต้องกินเนื้อแม่เพราะฉะนั้นจึงได้ให้คนนําเอาศรีรษะแม่มาส่งให้กินครันเขียนฉลากปิดแล้วให้เฉลยนําศรีรษะศพนั้นไปให้องค์ตรงกุลองค์ตรงกุลเปิดหอขี้พึ่งออกดูเห็นมารดาก็จําได้จึงมีความอาลัยเศร้าโศกถึงมารดาแล้วมีความขัดเคืององค์พอเบคยลันเบียเป็นอันมาก จึงสั่งให้ทหารพายวนที่ถือศีษะมารดามาส่งไปฆ่าเสียในวันนั้นแล้วองค์ตรงกุลยิ่งทวีความโกรธอาฆาตองพอเบคยลันเบียยิ่งขึ้นไปอีกขณะนั้นองค์ตรงกุลคิดพร้อมใจกับเจ้าเมืองโจดกหนึ่งองโปบาหนึ่งองตากุลหนึ่งองเตียนกุลหนึ่งองโหกุลหนึ่งองสากุลหนึ่ง จึงได้เกลี้ยกล่อมพวกยวนที่เมืองโจดกและเมืองบันไทมากได้ผลถึงเจ็ดพันคนแต่ล้วนชะกันทั้งสิ้นจัดเป็นกระบวนการใหญ่จะยกไปตีเมืองไส่นอนจากองค์พอเบคยลังเบียไปถวายพระเจ้าเวียดนามให้จงได้ครั้นนั้นองค์พอเบคยลันเบียและองค์บงบางซึ่งอยู่ในเมืองไส่นอนนั้นทราบความว่าจะมีข้าศึกมาตีบ้านเมือง จึงจาัด ก, การป้องกัน ร, รักษาเมืองโดยสามารถขันณวันเดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบเอ็ดค่ำองค์ตงกุลพร้อมกับเจ้าเมืองโจโดกขุมทหารเจ็ดพันยกขึ้นไปใกล้เมืองไส้่นอนหมายจะยกเข้าโจมตีพร่นทีเดียวขันนั้นองค์พ่อเบคอยลันเบียรู้กิติศัพท์ว่ามีทัพยกมาจะตีเมืองไส้่นอนจึงสั่งให้องค์บงบาง ผู้เป็นที่สองร้องเจ้าเมืองนั้นคุมพลทหารประมาณหมื่นเศษยกออกไปตั้งค่ายใหญ่นอกเมืองไส่นอนเพื่อจะได้รับกองทัพค่าศึกแล้วองค์พเบคยลันเบียจัดพลทหารรักษาเมืองไส่นอนและสงกระสุนดินดำตะเบียงอาหารออกไปให้องค์บงบางเสมอครั้นนั้นกองทัพองค์บงบางกับกองทัพองค์ตรงกุลได้ต่อรบกันเป็นสามาก ณนะที่กลางแปลงนอกเมืองไส้งอนผู้คนตายลงด้วยกันทั้งสองฝ่ายและทัพเมืองโจโดกยกไปตั้งค่ายใหญ่ที่ริมน้ําหมายจะได้เอาทัพเปลือมาช่วยตัด ก, กําลังที่เมืองไส้งอนกองทัพเมืองไส้งอนก็ยกตามไปต่อรบ ก, กันเว้นวันหนึ่งหรือสองวันรบ ก, กันครั้งหนึ่งเสมอทุกคราวไปมิได้หยุดจนถึงห้าวันตั้งกองรบ ก, กันดังนี้แต่ณเดือนแปดแรมสามค่า มาจนถึงเดือนสิบเอ็ดข้างแรมแต่รบกันอยู่ถึงสี่เดือนก็ยังไม่แพ้ชนะซึ่งกันและกันในระหว่างรบกันสี่เดือนนั้นพวกจีนและพวกที่เป็นพลรบทั้งสองฝ่ายตายลงด้วยกันประมาณหมื่นเศษแต่พวกข้างเมืองโจดกตายมากเพราะอดอาหารไม่สู้บริบูรณ์ด้วยมาทางไกลจะไปมาส่งลำเลียงกันก็ลำบากแต่ที่ใต้งอนนั้น บริบูรณ์ด้วยสเสบียงอาหารมากจึงตายน้อยขณะองค์บงบางกับองค์ตรงกุลรบกันนั้นความทราบถึงพระเจ้าเวียดนามตามหนังสือบอกของเมืองโจโดกและเมืองต่างๆที่ถูกตีถูกรบนั้นแล้วพระเจ้าเวียดนามมีรับสั่งให้องค์เตียนกุลเสนาบดีที่กรุงเวเป็นแม่ทัพใหญ่ให้องทำดานดาดานเป็นประทับขุมพลทหารหมื่นห้าพัน ยกลงมาปราบปรามพวกขบฏที่เมืองใส่นนต์ขันกองทัพเสนาบดีกรุงเวย์กลงมาใกล้จะถึงเมืองใส่นนต์นั้นแม่ทัพนายกองทั้งหกคนที่เดิมเป็นพักพว ก, กองค์พอเบคยลันเบียเมืองใส่นนต์นั้นแล้วกลับใจเข้ากับกรุงเวมารบกับเมืองใส่นนต์อยู่ถึงสี่เดือนนั้นครั้งทราบว่ากองทัพเสนาบดีกรุงเวยยกลงมาถึงแล้วพวกแม่ทัพทั้งหกคน จึงได้เข้าหาองค์เซียนกุลเสนาบริกรุงเวเสนาบริกรุงเวพร้อมกันกับกองทัพพวกทั้งหกคนช่วยระดมกันยกทัพเข้าตีค่ายองบงบางองบงบางต้านทานไม่ได้ก็แตกหมีทิ้งค่ายเสียยกล่าเข้าเมืองใส่นอนช่วยกันตั้งการรักษาป้องกันเมืองไว้ได้เพราะที่เมืองใส่งอนมีปืนใหญ่มากและกระสุนดินดามีบริบูรณ์ และองค์พอเบคอยลันเบียองค์บงบางทั้งสองนั้นฝีมือทัพศึกเข้มแข็งนักจึงรักษาเมืองไส่นนไว้ได้ไม่เสียแก่ทัพกรุงเวบางทีกองทัพเมืองไส่นนยกออกตีกองทัพกรุงเวแตกหนีไปก็มีบ้างแล้วกองทัพกรุงเวก็คุมกันยกเข้ามารบ ก, กันกับเจ้าเมืองไส่นนต่อไปแลกเปลี่ยนกันหนีทีไล่กันอยู่ดังนี้เนืองนือง แต่ทัพกรุงเวจะตีหักร่นเอาเมืองไส้ง่นวลไม่ได้เพราะเมืองไส้ง่นมีรีธผลเต็มใจที่จะสู้รบแต่เห็นจะสู้รบไปไม่นานเพราะสเบียงอาหารหมดลงก็จะแพ้แก่กองทัพกรุงเวโดยความอดอยากแต่เดียวนี้กําลังติดพันสู้รบ ก, กันอยู่ทุกวันเมืองไส้ง่นยังมีเสเบียงอาหารบริยุนอยู่มากเห็นจะสู้อยู่ได้นานประมาณสามเดือนเศษพอสู้อยู่ได้ไม่แพ้ แต่ผลสามเดือนไปแล้วเห็นว่าเมืองไส่นจะหมดเสเบียงลงเป็นแน่เพราะเมืองไส่อนอยู่ในที่รอมรอบออกหาอาหารและเพิ่มเติมไม่ได้อาหารหมดลงเมื่อใดเมืองไส่นก็จะแตกเมื่อนั้นสิ้นคำให้การพวกจีนที่เมืองยวนหนีเข้ามาในกรุงเทพเท่านี้และคำให้การพวกจีนนั้นก็ถูกต้องกันกันกบข่าวหนังสือบอกเมืองพระตะบองเมืองเสียมราช เมืองจันท บ, บรุรีเมืองตราดนั้นทุกเมืองถูกต้องกันแล้วอานาสยามยุทธภาคที่สองตอนที่หนึ่งคำให้การพวกจีนอพยพโปรดติดตามตอนต่อไป